Thank <laughs> you. สพระวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธททัสสะุทงธัมมังสังฆังนามามิี้วันนี้พวกเรานได้มา ปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญภาวนาที่ว่าปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญภาวนาก็เพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำได้หลายอย่างการให้ทานก็เป็นการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เราพูดคําว่า ปฏิบัติธรรมก็เข้าใจว่าหมายถึงการทำสมาธิภาวนา อ, อันนี้นะยังไม่ถูกต้องนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมทำได้หลายอย่างไม่ได้หมายถึงการมาเจริญสติทำสมาธิภาวนาอย่างเดียวใ น, นี้พวกเรานะพูดถึงการให้ทานการรักษาศีล นะเราก็ทำมาเยอะแล้วการให้ทานเราก็ทำท่ทุกวันด้วยการใส่บาทมีทอดป่าป่ามีทอดกระถินที่ไหนนะก็ไปร่วมบางทีงานศพก็ไปร่วมถวายสังฆทานอันนี้ดีแล้วแต่ว่าจะทำแค่นั้นนะศีลก็ต้องรักษาด้วย รักษาศีลอย่างน้อยน้อยก็ศีลหให้ทานรักษาศีลแล้วอย่าลืมนะการภาวนาการภาวนาคือการฝึกจิตนะผู้เจ้าก็จัดไว้นะโอวาทปาติมโม่มีสประการจำได้บก่การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อม และการชำระจิตของตนให้ขาวรอบชำระจิตของตนให้ขาวรอกอันนี้ก็อาศัยการภาวนาด้วยภาวนาแปลว่าทำให้เจริญทาให้มากก็คือทำให้มีคุณภาพจิตนะที่เจริญงอกงามในที่นี้เรามีการนะบำเพ็ญภาวนากา อย่างน้อยๆก็ปีละครั้งนะแต่ที่จริงแล้วภาวนานี่ควรจะทำอยู่เรื่อยๆนะไม่ต้องรอให้ทางวัดเนี่ยเปิดปฏิบัติซะก่อนสองคนเข้าใจว่าเนี่ยนะภาวนาได้ก็ต่อเมื่อลุ่งขาวห่มขาวมาเข้าวัดเดินจงกรมนะสร้างจังหวะหรือหลับตานั่งสมาธิ ที่จริงภาวนานี่เราทำได้ตลอดเวลาถ้าเป็นการทำจิตฝึกใจการศีภาวนาถ้าจะพูดยอ่อๆนะมันก็เหลือแค่สองนะก็คือหนึ่งทำดีสองทำใจการให้ทานการรักษาศีลนี่เราทำดีเพราะว่าทำแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับผู้อื่น เราให้ทานไม่ใช่ให้ทานเฉพาะกับพระแต่ให้ทานแก่คนที่เดือ ด, ร, อ ด, อดอร้อนใจหรือว่าทุกข์ยากอันนี้ก็เป็นการช่วยใครก็ตกทุกข์ได้ยากมาเราก็ช่วยด้วยเงินด้วยสิ่งของด้วยอาหารอันนี้เรียกว่าทานเป็นความดีที่ควรทำ รักษาศีลก็เหมือนกันนะรักษาศีลเนี่ยก็คือศีลห้าเป็นอย่างน้อยคําว่าศีลี่จริงก็หมายถึงการกระทําที่ดีงามไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปเข้าใจว่าหมายถึงศีลห้าอย่างเดียวนะศีลห้านี่เป็นแค่การไม่ทาชั่วไม่ทาบาปไม่เบียดเบียนผู้อื่นตอนนี้ไม่เบียดเบียนแล้วก็ต้องต่อไปนะ ก็ต้องช่วยผู้อื่นด้วยช่วยด้วยการให้ทานนี่ก็ อ, อย่างหนึ่งแล้วที่จริงการให้ทานนี่ก็จ้อเป็นศีล น, นะมันเป็นเรื่องของการทําดีให้ทานแล้วก็ช่วยเหลือทางอื่นเช่นเป็นจิตอาสาช่วยเหลือส่วนรวมงานของวัดงานของหมู่บ้านช่วยทําความสะอาดเก็บขยะอันนี้ก็เรียกว่าศีล น, นะ หรือว่าะสะพานมันเสียถนนมันพังก็ซ่อมก็สร้างให้กลับมาดีเหมือนเดิมอันนี้เรียกว่าทำประโยชน์ส่วนรวมก็เรียกว่าเป็นศีลได้เหมือนกันก็คือเป็นเรื่องของการกระทาที่ดีงามเห็นได้จากภายนอกนะแสดงออกให้คนได้รับรู้ ส่วนทำใจเนี่ยนะมันเป็นเรื่องภายในนะที่เราต้องทำด้วยนะทำใจเพราะว่าทำดีแล้วแต่ว่าก็อาจจะยังทุกอยู่นะคนที่ทำดีก็มีความทุกข์จริงอยู่นะการทำดีเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความทุกข์มีน้อยลงแค่เรา รักษาสีลห้าให้ดีเพียงแค่สีนข้อที่ห้าข้อเดียวนี้ก็ลดปัญหาไปได้เยอะแล้วอุบัติเหตุพอขับรถเมามานะจนไปชนเสาไฟฟ้าหรือว่าชนคนตายเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจตามมาก็หมดไปเพราะว่าเราไม่เม า, าการทะเลาะเบาแวงกับคนรัก กับผัวกับเมียกับลูกหลานกับเพื่อนบ้านก็ตัดทิ้งไปได้เพราะไม่เมาไอการเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าเอาแต่เมาไม่ยอมทำงานนะไรายได้ไม่มีมีแต่รายจ่ายแถมจ่ายไปกับเรื่องที่มันไม่มีประโยชน์นะคือเหล้าเนี่ยมันก็หมดปัญหาตังานะเพียงสีนห้าข้อเดียว นะก็ช่วยป้องกันอันตรายหลายอย่างไม่ให้เกิดขึ้นถ้าเรารักษาสี่ในสี่ข้อก็เหมือนกันนะเ ร, เรื่องเสือนื้อลอนใจวิตกกังวลว่าคนจะมาทําร้ายเราเพราะเราไปขมโมยของเขาเพราะเราไปทําร้ายร่างกายเขาหรือว่าไปฆ่าสัตว์ของเขาเนะีนะ่ยไปเบื่อหมาของเขา ก็เลยกลัวว่าเขาจะมาแก้แค้นมาเล่นงานมาเบื่อหมาของเราบ้างหรือว่าอาจจะทํายิ่งกว่านั้นเนี่ยให้เรื่องวิตกโกรธแบบนี้ก็หมดไปก็เลยว่าไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์นะอยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่าทุกข์มันก็ยังเกิดขึ้นได้นะกับคนที่ทําดี่ ทำดีนี่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทุกข์เลยทุกข์ของคนดีก็เช่นทำดีแล้วแต่ไม่มีคนเห็นนะเสียใจน้อยใจหรือทำดีแล้วมีคนมาติเตียนนะต่อว่าด่าทอก็โกรธโมโหแลาคนดีที่โกรธง่าย นะเกลียดง่ายก็มีเยอะหรือบางทีทำดีแล้วแต่มีคนดีกว่าเรา mm. ก็อิจฉาเขาเดีย๋ยนี้คนไทยเนี่ยนะเวลาทำดีถ้าเด่นให้คนเห็นหรือเด่นเกินไปนี่เดือดร้อนนะมันมีภาษิตว่าทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไอภาษิตนี้เนี่ย มันทำให้คนเนี่ยไม่กล้าทําดีมากนะเพราะว่ากลัวคนอื่นคอมเมนต์กลัวคนอื่นอิจฉาและขนาดเดียวกมมันเราก็สะท้อนนิสัยคนไทยว่านะถ้าทําดีแลแ้วเด่นเนี่ยนะคนไม่ชอบถ้าเราทําดนะีถ้าเราเด่นก็จจะถูกต่อว่าถูกใส่ร้ายหรือว่า ถ้าคน่นเด็นกว่าเราเราก็อิจฉาเขาด้านนี้ก็เป็นทุกข์ของคนดีนะหรือว่าคนดีเป็นพ่อดีเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีแต่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะบางทีลูกดือ้อพ่อแม่สอนลูกไม่ทําตามพ่อแม่ก็ทุกข์เดี๋ยวนี้พ่อแม่เนี่ยทุกข์เพราะลูกเอยอะโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ าเป็นคนดีนะมีศีลตอนนี้พอทำดีแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่ระวังให้ดีนะมันจะติดดีติดดีนี่ก็แปลว่าถ้าลูกหรือว่าคนอื่นเขาไม่ดีเหมือนเราไม่ดีอย่างที่เราคิดเราปรารถนาเราก็ทุกข์ เราเคยมีแม่คนหนึ่งนะเากุ้งใจมากเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ค่อยเรียนหนังสือเท่าไหร่เอาแต่เล่นวีดีโอเกม อ, เอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เล่นเกมคอมพิวเตอรอ์นั่นแหละจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนการบ้านก็ไม่ได้ทำการเรียน ก, ก็เสียแม่ก็ต่อว่าลูก ที่แรกก็ตักเตือนแต่ลูกไม่ฟังเพราะว่าวิดีโอเกมเดี๋ยวนี้มันมันเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งเริ่มยากผู้ชายก็ติดเหล้าพ่อเดี๋ยวนี้เห็นบ่อยนะบางทีพ่อติดเหล้าเงส่วนแม่ติดหวยนะติดการพนันแล้วลูกมันติดอะไรลูกก็ติดวิดีโอเกมอันนี้คือลูกตัวเล็กๆนะถ้าโตขึ้นก็อาจจะติดยา แต่ถ้า2 1 3 1 4กอ็อาจจะแค่ติดวิดีโอเกมแม่ก็ดักเตือนลูกไม่ฟังก็ต่อว่าลูกก็เถียงเถียงแม่ก็เป็นทุกข์แม่ก็โกรธก็ว่าลูกแรงๆกอกว่าลูกกระท้วงไม่ยอมคุยกับแม่กินข้าวก็ไม่คุยเดินผ่านก็ไม่สนทนา มาถึงโรงเรียนอากลับจากโรงเรียนก็มานั่งเล่นวิดีโอเกมแม่พูดท่ามยังไงก็ไม่สนใจเป็นอย่างนี้หลายวันแม่ก็น้อยใจจนมาทั่งยื่นคำขาดว่าถ้ารู้ไม่คุยกับแม่นะแม่จะโดดตึกตายนะพูดแบบนี้นะให้ลูกก็ใจเด็กนะต้องการเอาชนะแม่มันก็ไม่คุยกับแม่ แม่น้อยใจแม่เสียใจแล้วก็จูๆนก็เดินไปที่ระเบียงนะปีนนะปีระเบียงแล้วก็ปล่อยตัวลงมาจากตึกตายลูกต้องการเอาชนะแม่แม่ก็เลยน้อยใจเสียใจทำไมแม่ทำอย่างนั้นนะพาะแม่มีความทุกข์ ทุกข้ออะไรนะเพราะลูกไม่เชื่อฟังแม่อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นข้อการติดดีก็ได้นะคือพอเรายึดมันในความดีในเจตนาดีของเราแล้วเขาไม่ทำตามเขาไม่เชื่อเราก็เสียใจาบางทีมันอีกออกมาอีกแบบนึงนะ มีพ่อคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นคนก็เลยว่าธรรมะธรรมโมชอบไปวัดไปวาแต่ลูกเนี่ยนะวัยรุ่นไม่ก็อย่สนใจนะเรื่องวัดวาเรื่องธรรมะแล้วก็ลูกก็ค่อนข้างจะดื้อ น, นะตามภาษาวัยรุ่นนะพูดอะไรพ่อแม่พูดอะไรก็ไม่ฟังนะทำตามอารมณ์ทำตามความเคยชินทำตามนิสัย นะพ่อก็โกรธพ่อก็หนุนเงิดมันก็สะสมนะนี่วันหนึ่งลูกเนี่ยมาข อ, อยืมรถของพ่อเนี่ยจะไปบ้านเพื่อนตอนค่ำๆพ่อไม่ให้ลูกก็แอบเอากุญแจรถเนี่ยขับไปหาเพื่อนพ่อรู้ก็โกรธ ไปตามลูกกลับมามาถึงบ้านก็ทะเลาะกันนะพ่อดา่าลูกลูกก็เถียงพ่อนะต่างๆคนต่างก็ไม่ยอมลดลาวาศไอพ่อนีิติละก็โกรธที่ลูกเถียงพ่อจากโกรธก็กลายเป็นเกลียดดิงลูกเนี่ยนะดา่าเถียงพ่อด้วยคําที่แรงๆพ่อโกรธมากเพอเออมันมีปืนอยู่ใกล้ๆนะ ก็คว้าปืนมายิงลูกตายนะด้วยความโกรธโกรธเพราะอะไรนะโกรธเพราะคิดหวังที่ลูกเนี่ยไม่เชื่อพอแล้วจากโกรธก็กลายเป็นเกลียดพอเกลียดแล้วก็อยากทําร้ายความโกรธมันทําให้ลืมตัวพอยิงลูกตายไปแล้วตกใจมันนึกไม่ถึงเลยนะว่าในเราฆ่าลูกได้เลยเนี่ย แต่ก่อนนี่นายุงสักตัวเราก็ไม่ตกแต่นี่ฆ่าลูกใจมันก็นึกถึงบาปหรืออจจะนึกถึงคุกตารางหรืออาจจะนึกถึงคำต่อว่าด่าทอเสียชื่อเสียงให้เราอุตสาสร้างความดีมาตอนนี้ชื่อเสียงผลปี้หมดเพราฆ่าลูกทำใจไม่ได้กนะ็แล้ ว, วปืนเนี่ย ยินตัวเองตายนะตายทั้งลูกตายทั้งพ่อเลยทั้งสองกรณีนะแม่ที่โดดตึกตายแล้วก็พ่อที่ยิงลูกและฆ่าตัวเองตายก็เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีนะแต่ว่าทำดีแล้วมันติดดีเนี่ยก็คือว่าเราปรารถนาดีกับใครเช่นปรารถนาดีกับลูกลูกต้องเชื่อฟังนะถ้าลูกไม่เชื่อฟังแสดงว่าลูกมันไม่ดี ลูกมนไม่ดีนี่ก็ต้องจัดการนะต้องดา่าแล้วถ้าลูกเถียงนะก็จะต้องเถียงกับหรือด่ากับสุดท้ายก็ความคิดอยากชนะนะมันก็เลยจัดการทำไมทำร้ายตัวเองอย่างแม่คนที่โดดตึกตายก็ทำร้ายลูกนะอย่างข้อคนที่เอาปืนยิงลูกตายอันนี้เรียกว่าเพราะติดดีนะ นะติดดีถ้านะทำดีนี่ก็ต้องระวังนะอย่าติดดีเพาทำไมจะไม่ติดดีนะเราก็ต้องรู้จักมีสตินะดูจิตดูใจเจ้าของเวลามันโกรธขึ้นมาเพราะว่าปาสนาดีกับใครแล้วเขาไม่สนใจเขากับเถียงอ่มันก็เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นในใจ นะถ้าไม่มีสตินะมันไม่เห็นหรอกความโกรธเนี่ยมันครอบนำใจเพราะมันมีความรู้สึกว่ามึงด่ากูมึงด่า ก, มากูมึงเถียงกูนะถ้ากูเป็นพ่อมึงเป็นลูกแล้วมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงนะไอตรงนี้เนี่ยนะมันมีตัวกูขึ้นมาแล้ว ตัวกูนี่ก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งคนที่ทําดีนะบางทีมันมีตัวกูนะทําดีมากๆมันมีตัวกูขึ้นมาว่ากูเป็นคนดีกูเป็นคนดีอกิเลสเนี่ยมันคอยหาช่องเข้ามาเล่นงานจิตใจเรามันหาโอกาสตลอดเวลาโดยพราะเวลาเราเผลอ เวลาเราดูโทรทัศน์นะมันก็แอบเข้ามานะครอบงำจิตใจเราทําให้เกิดความโลภอันนี้เรียกว่าผีโลกนะแต่บางครั้งมันก็มาตอนที่เราทะเลาะหรือว่าเถียงกับลูกหรือว่าเถียงกับผัวกับเมียมันมาตรงนี้เรียกว่า ไอ้ผีโกรธนะแล้วพอโกรธหรือโลภมากๆผีหลงมันก็ซ้ำเลยนะนะคือทำด้วยความลืมตัวอย่างพ่อนี่ก็พอโกรธนะพอผีโกรธเล่นงานตามเม่ได้ผีหลงนะมันก็เอาปืนยิงลูกตายที่จริงผีมันมีเยอะนะผีน้อยใจก็มีอย่างแม่ที่ น้อยใจนะที่ลูกไม่ยอมคุยด้วยไอ้ผีน้อยใจมันก็เข้ามาค้อบงำพร้อมกับผีโกรธแล้วตามมาด้วยผีหลงคิดสั้นนะโดดตึกตายเพื่อประชดหรือประท้วงลูกใหเดี๋ยวนี้ลูกก็ประท้วงพ่อแม่เหมือนกันแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้นะน้อยใจแม่ซื้อให้พี่ชายแม่ซื้อให้พี่สาวนะแต่ไม่ซื้อให้เรา ไอ้เนี่ยผีโลกนะอยากได้โทรศัพท์จากผีโลกแล้วก็ผีหลงก็มามันก็อยากประท้วงอยากประชดแม่ก็เลยแขวนคอตายนะแบบนี้ก็มีนะไอ้ผีเหล่านี้เนี่ยหรือกิเลนเหล่านี้เนี่ยมันโชยโอกาสทุกเวลานะเผลอไม่ได้ แม้แต่เวลาได้โชคได้ลามนี่มันก็พร้อมจะจู่โจมเข้ามานะมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกซื้อรอตตอรี่บอกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดีใจมากเลยเอาลอตเตอรี่เนี่ยนะถือชูแล้วก็บิ่งไปที่ตลาดแล้วก็ประกาศว่า กูถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วกูถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วดีใจดีใจจนลืมตัวนะกระโดดไปที่ไปปากบอกประกาศว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วแล้วจู่ๆเนี่ยก็คงจะคิดนะว่าต่อไปนี้กูไม่จนแล้วต่อไปนี้กนะูไม่เป็นหนี้แล้วลาก่อนความจนคงจะคิดอย่างนี้นะเพราะว่าจู่ๆเนี่ยแกก็ ฉี ร, ตตรัตต์ลี่นะฉีเป็นชิ้นเลยนะฉีเสร็จก็มารู้ตัวได้สติขึ้นมาว่าเอ้ยกูทําอะไรไปเนี่ยนะรัตต์ลี่นี่นะเป็นชิ้นๆเนี่ยอยู่กระจา ย, ยตามพื้นทํำยังไงก็ไปเอารัตตอรี่นี่มาต่อกันเอามาต่อแต่มันต่อไม่ได้เพราะมันฉีเป็นชิ้นๆเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย พอต่อไม่ได้เป็นไงเสียใจฟุบเลยนะฟุบเลยจากเมื่อกี้เนะี่ยดีใจนะตอนเนี้ยฟุบแล้วแล้วแกก็เสียใจนะสุดท้ายนะแกก็บ้ากลายเป็นคนบ้าไปเลยไอ้ผีดีใจนี่ต้องระวังกันนะหน้าโกลเหมือนกันนะผีดีใจเนี่ยเพราะว่าพอผีดีใจมานะมันก็จะไปดึงเอาผีหลงมาด้วย ลืมตัวดีใจจนลืมตัวนะเห็นไหมว่าเนี่ยมันไอ้ผีเหล่านี้เนี่ยมันคอยเข้ามาเล่นงานเรามันคอยหาโอกาสอยู่เสมอแม้กระทั่งเวลาเรามาที่วัดมาสวดมนต์นะมารักษาศีล มันก็ยังคอยโชว์โอกาสเข้ามานะบางที่ก็ามาแบบเบาะนะเช่นขณะที่สวดมนต์ใจก็ลอยนะใจลอยนี่ก็เรียกว่าผีหลงเล่นงานแล้วนะไปคิดถึงลูกนะไปคิดถึงหวยว่านะว่าพรุ่งนี้ออกเดี๋ยวจะซื้ออะไรดีนะอันนี้ก็เรียกผีโลกกับผีหลงเข้ามาแล้วแม้กระทั่งเวลามาสวดมนต์นะเวลามาเจริญสติ เรามาเจริญสติเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ตัวแต่บางทีมันก็หลงนะมันหลงบางทีหลงมากกว่ารู้อีกก็หลงคิดนะทำให้เกิดความโลภทำให้เกิดความโกรธนะเดินจงกรมไปก็โกรธไปบางทีโกรธผัวโกรธลูกยังมีคนหนึ่งนะก่อนมาเดินจงกรมเนี่ย เาเข้าคอสปฏิบัติธรรมเจ็ดวันสามวันแรกนี่นะมันมีแต่ความโกรธเดินไปเดินมาก็นึกถึงผัวที่ไปมีกิ๊กนะเคยเป็นผัวที่รักใคร่กันดีดูกันมาสึบกับปีแต่วันหนึ่งเพราะว่าผัวนี่มีกิกนะ๊ก โกรธมากเลยขึ้นกูขึ้นมึนแล้วก็แดกทางกันเลิกกันไปแล้วนะแต่พอมาเดินจงกรมเนี่ยนะมันคิดถึงแต่ไอ้ผัวหรืออดีตผัวคนนี้ยมันทรยศเรามันโกหกเรานะคิดอย่างเงี้ยนะใจมันร้อนไอ้เนี่ยผีโกรธเนี่ยมันมาเล่นงานแม้กระทั่ง ขณะที่เรามาปฏิบัติธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างตัวรู้นะแต่ว่ากลับเต็มไปด้วยความหลงเพราะะพราะไม่มีสติอย่างพี่วิวก็นี่เดิน3วันนี่นะมันมีแต่ร้อนจิตใจมันร้อนรู้ไมหมดวันที่สีน่นใครที่เดินจงกรมอยู่นะตอนที่เดินนี่ก็เดินไปชั่วโมงแล้วนะมือเนี่ย ปกครองไว้ปกครองไว้ที่เรียกว่ากลุมมือไว้ข้างหน้าพอเดินไปชั่วโมงหนึ่งมันเมื่อยพอเมื่อยก็เลยปล่อยมื อ, พ อ, อ, มอพอปล่อยมือปุ๊บสบายเง้นก็เลยได้สติขึ้นมาเลยนะว่าพอแบกจึงหนักพอปล่อยจึงเบาจึงสบาย ไม่ได้สติเลยนะโอ้ที่เราร้อนรุ่มกลุ่มใจโกรธเนี่ยเพราะว่ามันไปคิดถึงอดีตผัวซึ่งไปเรื่องอดีตไปแล้วทุกแล้วก็ร้อนมาตลอดสามวันนะเพราะใจเนะี่ยมันคิดแต่เรื่องอดีตนะเรื่องผัวที่ทรยศหักหลังเราตอนนี้ก็เป็นอดีตผัวไปแล้วแต่วันก็ยังแคร์ร้อนนะแต่ไม่รู้ตัว แต่พอรู้ตัวขึ้นมาขนาดที่ปล่อยมือเนี่ยนะมันสบายมันก็ได้สติเลยนะโอเนี่ยไอ้นี้เราทุกข์เพราะแบกเพราะไปยึดเรื่องเก่าๆพอเห็นตรงนี้นะจิตมันปล่อยเลยจิตปล่อยพูดเป็นไงสบายสบายทั้งมือนะสบายทั้งกายแล้วก็สบายใจแต่นี่ถ้าไม่เห็นนะไม่มีสตินะก็คงจะ ร้อนรุมกลุ่มใจไปจนครบเจ็ดวันที่มาปฏิบัติธรรมก็ได้พนเพราะฉะนั้นต้องระวังนะไอ้ตัวหลงหรือผีหลงเนี่ยนะมันพร้อมจะเข้ามาเล่นงานเราแม่กระทั่งเวลาเราเข้าวัดไอ้ตัวหลงเนี่ยพอมันเกิดขึ้นนั้นมันจะมีความสึกตัวกูกูกูตัวกูวเนี่ย เวลาทําความดีเยอะๆเวลาปฏิบัติธรรมรักษาศีล น, นะทำดีเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมีมตัวกูว่า ก, กูดีกูดีกูเป็นคนดีอันนี้ก็เป็นกิเลส น, นะเป็นตัวหลงชนิดหนึ่งที่เรีกที่ชื่อว่ามานะเ้าคนทําดีเนี่ยทําดีนะ่อดีแล้วแต่ต้องระวังอย่าให้ไอ้ตัวกูเนี่ยนะมัน คลองจิตคลองใจนะว่ากูเป็นคนดีกูมาปฏิบัติธรรมนะแต่พวกแกไม่ปฏิบัติธรรมแย่มากนะบางทีไปดูถูกคนที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมคนที่เขาไม่นุ่งขาวหผมขาวนะรักษาศีลแปดก็ไปดูถูกคนที่รักษาแค่ศีลห้าอนุ่งขาวหผมขาวก็ไปดูถูก นะคนที่เขานุ่มดำหาว่าเขาไม่เข้าวัดอันนี้ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งนะที่มาทําให้ทุกข์แต่มันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ติดดีนะพอติดดีเนี่ยมันจะมีความฉมขันมันหมายว่ากูดีนะกูประเสริฐเวลาปฏิบัติธรรมมาด้วยกันเนี่ยก็ไปเพ่งวันเนี่ยคนนี้เขาไม่ปฏิบัติธรรมเลย คนนี้ก็ไม่ยกมือเลยนะเรานี่ยกมือทั้งวันเลยเรานี่เดินตรงกลมทั้งวันนะพอมองคนอื่นนะว่าเขาไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็ดูถูกเขาด้วยนะหรือว่าโกรธเขาไม่พอใจเขาเนี่ยให้เรารู้ว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วนะเราไปมองเขาไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเราโกรธเขาพอโกรธเขาปุ่บนี้นะสแสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแนละ้ว เป็นเงินเยอะนะหลายคนเนี่ยนะไปคอมเมนต์คนหรือว่าไม่ปฏิบัติธรรมทันทีที่เรารู้สึกแบบนี้นะมันแสดงว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมนะเพราะเราไปไปดูคนอื่นส่งจิตออกนอกไม่ดูใจของเจ้าของไม่รักษาใจของเจ้าของไปให้ตัวโกรธนะผีโกรธผีหลงมันเข้ามาครอบนาต้องระวังนะเวลาทําความดีเนี่ยนะ ก็อย่าให้เกิดความสำคัญว่าหมายว่ากูดีกูประเสริฐแต่เพราะนี่คือตัวกิเลสที่มันทำให้เราไปดูถูกคนอื่นและทำให้เรานะเกียดคนอื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำดีเนี่ยต้องทำใจหรือฝึกใจด้วยให้มีสติคอยสังเกตตัวกิเลสเหล่านี้ นอกจากตัวกูแล้วนะมันยงมีความคิดว่าของกูด้วยนะของกูหลายคนเนี่ยเวลาให้ทานนะทำอาหารถวายหลวงพ่อหลวงปู่หรือว่าบางคนฐานะดีหน่อยก็ถวายจีวรให้หลวงพ่อหลวงปู่เพราะศรัทธาถวายเสร็จก็คอยดูนะว่า หลวงพ่อหลวงปู่ได้กินอาหารของเราไหมฉันอาหารของเราไหมถ้าไม่ฉันอาหารของเราเสียใจถ้าหลวงปู่หลวงตาไม่ครองจีวรของเราเสียใจาความคิดแบบนี้ผิดแล้วนะเพราะว่าเราถวายให้ท่านแล้วอาหารก็ดีจีวรก็ดีก็เป็นของท่านไม่ใช่ของเราถวายให้ท่านแล้วยังไปยึดว่าเป็นของเราอยู่อาหารของเรา นะจีวันของเราเงินของเราเนี่ยอันนี้แสงวันแลสวันยังมีความยึดในตัวในของกูอยู่และเป็นยังไงมันทุกข์เสดนะมันทุกข์ันต้องปล่อยวางนะต้องรู้จักดูใจของเจ้าของแล้วก็ปล่อยวางนะถวายอาหารไปแล้วก็เป็นอาหารนั้นก็เป็นของท่านท่านจะฉันหรือไม่ฉันก็เป็นเรื่องของท่าน ถวายจีวรให้ท่านแล้วท่านจะครองหรือไม่คลองเป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราฝึกแบบนี้นะมันจะเป็นภาวานาไปด้วยนะให้ทานก็เป็นภาวานาไปด้วยก็คือฝึกปล่อยวางไปด้วยไม่มีของกูแล้วก็ไม่มีตัวกูอย่างนี้เวลาเราให้ทานเนี่ยเราไม่ค่อยดูใจเจ้าของนะก็ปล่อยให้ตัวกูเนี่ยมันเข้ามาเล่นงานนะเรียกว่าขี่คอเราเลยละ่ะ เวลาเป็นเจ้าภาพทอดผอาป่านะก็แข่งกันนะว่านะอผ้าป่าของเราหรือกระถิ่นของเรานี่จะได้เงินมากหรือน้อยกว่าผ้าป่าหรือกระถิ่ของคนอื่นนะถ้ามากกว่าก็ดีใจนะไอ้ตัวกูนี่มันมันชูคอขึ้นมาเลยนะเพราะว่าผ้าป่าของกูกระถิ่นของกู นะมีได้เงินมากกว่าคนอื่นนะไอตัวกูนี่มันชูคอขึ้นมาเลยอันนี้กีเลสทั้งนั้นเลยนะแทนที่จะลดละตัวกูตัวกูกับนะมีมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าผ้าป่าของเรากระินของเราได้เงินน้อยกว่าคนอื่นหรือว่าวัดของเรานะได้กรินได้พป่าน้อยกว่าวัดอื่น นะมันอิจฉาขึ้นมาหรือเกิดความเสียใจอันนี้ก็ตัวกูนะแต่เป็นตัวกูที่มันห่อเหี่ยวนะต้องดูใจของเจ้าของนะทําดีก็ตามเนี่ยอย่าให้ไอีตัวกูเนี่ยมันเข้ามาครอบงำจิตใจนะเวลาให้ทานก็ต้องรู้จักรสดรู้จักละรู้จักวางบางคนเนี่ยนะเวลาให้ทาน ก็ปล่อยให้ผีโลกเข้ามาคลองใจนะก็คืออยากร่ำรัรวยอยากถูกหวยรวยเบอร์นะเวลาใส่บาตรโดยเฉพาะวันที่หวยออกเนี่ยโอ้อยากจะให้มันถูกหวยนะอันนี้เราทำด้วยความโลภนะให้ทานด้วยความโลภให้ทานด้วยจิตที่คิดจะเอาการให้ทานที่ดีเนี่ยมันต้องให้ทานด้วยจิตที่คิดจะละ ไม่ใช่คิดจะเอานะก็คือละนะไม่ได้คิดอยากจะรวยไม่ได้คิดอยากจะมั่งมีแต่ให้ทางก็เห็นว่าเป็นของดีมีประโยชน์นะต่อพระคุณเจ้ามีประโยชน์ต่อวัดเป็นการสืบต่อศาสนาหรือเป็นการช่วยคนอื่นให้ไปแล้วก็หลวงพ่อทางวัดจะประกาศหรือไม่นะเราก็ไม่สนใจเดี๋ยวนี้เนี่ยนะ เวลาถวายทานเวลาบริจาคกให้ทางวัดนะบริจาคเสาบริจาค ก, กระเบื้องบริจาคโต๊ะเก้าอี้มันมีจิตที่คิดอยากจะเอานะก็คืออยากจะได้หน้าได้ตาอยากให้ทางวัดนะเขียนชื่อผู้บริจาคเขียนชื่อเราว่าเป็นผู้บริจาคอันนี้เลยว่าเป็นการให้ ด้วยจิตที่คิดจะเอาคิดจะได้อยากได้หน้าถ้าทำไปด้วยความรู้สึกมั่นหมายในตัวกูนะอยากจะให้ตัวกูนะเป็นที่รู้จักนะว่ากูเป็นคนดีเป็นคนที่รักษาอ่เป็นคนที่มีศรัทธาคนสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาจะให้ทานนะไม่ได้ทิ้งชื่อไว้เลยนะถวายก็ให้ด้วยใจที่ ไม่ได้คิดจะเอาไม่ได้อยากได้หน้าได้ตาสร้างพระพุทธรูปนะก็ไม่ทิ้งชื่อเอาไว้ว่าเป็นตัวเองเป็นคนสร้างเพราะไม่มีความคิดมันในตัวกูแต่เดี๋ยวนี้เวลาเราทําบุญนะบริจาคเงินบริจาคของก็อยากจะให้มีการประกาศนะว่ากูเนี่ยเป็นผู้บริจาค ร, นะรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยนะไอ้ผีหลงเนี่ยหรือผี ที่ช่วยตัวกูนี่มันเข้ามาเล่นงานเราแล้วนะอย่าไปยอมให้มันมาเล่นงานนะเรานะก็คือว่าตั้งใจเลยนะว่าเออถ้าบริจาคแล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องประกาศชื่อไม่มีใครรู้เราก็รู้อยู่คนเดียวก็พอแล้วพอเราทำด้วยจิตที่คิดะละไม่ได้คิดจะเอาละอะไรนะละตัวกูของกูละแม้กระทั่งนะความโลภพระสตรบิฎกเคยกล่าวนะว่า บัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่หวังอุปทิสุขอุปทิสขก็คือโลกยสุขเช่นอายุวันน่าสุขขปรลละความมั่งมั่งครั่งร่ำรวยนะอันนี้มันเป็นโลกยสุขนะมันไม่ใช่สุขแท้บัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่ปรารถนาโลกยสุขและพบใหม่หมายความว่าไม่ได้ให้ทานเพราะอยากจะไปเกิดเป็นเศรษฐีอย่ากจะไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ น, น, น, นั่นไม่ใช่วิสัยของบัณฑิต บันทิให้ทานนะเพื่อมุ่งขจัดกิเลสและการไม่เกิดพบก็คือนิพพานนะไม่ได้อยากจะไปเกิดเป็นคนบ้างคนมีเป็นเจ้าคนนายคนให้เราเนี่ยให้ทานแบบนี้บ้างนะอันนี้ก็เป็นการภาวนาได้เหมือนกันนะถวายทานด้วยมือส่วนใจก็ละการทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยนะ มันจะเป็นบุญอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อทํำด้วยจิตที่ละนะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลก็ละรักษาศีลเพื่อละกิเลสนะโลภะโทสะโมหนะนีไม่ใช่รักษาศีลเพื่อจะเอานะเพื่อจะมั่งคั่งเพื่อจะได้หน้าได้ตาเพื่อจะให้คนชมหรือเพื่อยกตัวให้สูงเด่นกับคนอื่นภาวนาก็เมกันนะภาวนาเพื่อจะละไม่ใช่เพื่อจะเอาไม่ได้เอาแสงสี นะไม่ได้ภาวนามามาทํากรรมฐานเพื่อจะได้มีโชคมีลาภในวันหน้านะจะได้ถูกหวยรวยเบอร์ไม่ใช่อย่างนั้นภนะาวนาเพื่อจะละแนะม้แต่ภาวนาเพื่อจ่อความสงบนี่นก็ต้องระวังนะเพราะว่ายิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้มีคนนึงนะเป็นลูกศิลป์หลวงปู่หลวงพ่อเฟื่องภาวนามาหลายปีวันนึงก็ถางหลวงพ่อเฟื่องโชติโกนะ ว่าหลวงพ่อผมภาวนาะมาต้องหลายปีแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยมีคนหลายคนก็คิดแบบนี้นะมีบางคนก็มาถามอาตมาแบบเนี้นะทํามาหลายปีแล้วนะไม่เห็นถ่ยใจได้ไม่เห็นนรกซ้อนเป็นคนอื่นเลยนาะยโยมคนนี้ก็เหมือนกันนะมาตัดพ่อหลวงพ่อเฟือ่องตัวพ่อทุ ก, กเลยบอกวภาวนานี่ไม่ใช่เพื่อเอานะภาวน า, นานเพื่อละนะ ระกตัวกูของกูนะอย่าให้ตัวกูของกูมันชูคอขึ้นมาบางคนภาวนาแล้วเนี่ยนะก็เกิดตัวกูขึ้นมากูนะกูเป็นนักภาวนากูเป็นนักปฏิบัติธรรมนะไปดูถูกคนอื่นว่าเขาไม่ปฏิบัตินะอันนี้โดนกิเลสนะโดนผีหลงนี่มันเล่นงานแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยนะทำดีนะก็อย่าลืมทำใจด้วยและทำใจอย่างแรกที่ควรทำคือมีสตินะรู้ทันนะจิตใจของเรา นะถ้าเราใจเราเป็นกุศลนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนทํำอะไรมันก็เป็นการปฏิบัติทําได้ทั้งสิ้นพุทเจา้าตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสําเร็จได้ด้วยใจนะทำทั้งหลายนี่ก็ลงว่าการทําบุญการทําความดีด้วยนะมันอยู่ที่ใจไม่ได้อีกที่รูปแบบไม่ได้อีกที่เครื่องแต่งกายนะบางคนเนี่ย มือเนี่ยนะถวายทานนะแต่ว่ามันไม่ได้บุญหรอกเ้าใจเนี่ยมันยังมีความโลภมีความหลงอยู่นะถึงแม้ว่ากับกิริยาเนี่ยภายนอกคือการให้ทานคือการรักษาศีลแต่ว่าใจเนี่ยนะมันโดนผีโลภผีโกรธผีหลงครอมงามเนี่ยมันก็ได้บุญน้อยนะมันก็ไม่ใช่เราเป็นการทำบุญอย่างแท้จริงภาวนานะแม้ว่ามือยก นะเท้าเดินอยู่ในลานจงกรมแต่ว่าใจนี่นะมันเต็ไมไปด้วยความโลภความหลงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องภาวนาอยู่บ้านดูโทรทัศน์นะแต่ว่ามีสตินะเห็นใจที่มันขึ้นมันลงหรือว่าได้ประโยชน์จากโทรทัศน์ว่าเออเข้ามาสอนนะเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตอันนี้ยังเรียกว่าภาวนาได้นะ อยู่บ้านนี่ก็ภาวานาได้แม้ดูโทรทัศน์แต่ว่าดูเป็นฟังเพลงก็เหมือนกันนะฟังเพลงนี่ถ้าฟังเป็นก็ภาวานาได้นะไม่ใช่ว่าต้องมาสวดมนต์อย่างเดียวในสาวิตรการมีาพระหลวงชื่อพระติสานะนะเดินนะท่านเดินผ่านบ้านเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้มีฆ่าทาตบริวารมีคนใช้นะ คนใช้คนหนึ่งเนี่ยร้องเพลงนะร้องเพลงเกี่ยวกับความไม่เที่ยงชีวิตนะถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกับเพลงมันบ่แน่ดอกนายนะจำได้ปอมันบ่แน่ดอกนายนะพระติสระฟังนะพิจารณาตามก็เกิดปัญญาจิตหลุดพ้นเลยนะเป็นพระอระหันต์เลยนะเป็นพระรังขันที่ฟังเพลงหญิงสาวนะแต่ว่าจิตท่านเนี่ยนะเป็นกุศลนะเพราะท่านรู้จักฟัง แต่บางคนเนี่ยอยู่วัดนะสวดมนต์แต่ว่าใจเป็นใจไม่เป็นกุศลก็ได้นะเพราะนั้นมันอยู่ที่ใจนะไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรเดินฟังได้ยินผู้หญิงร้องเพลงแต่ก็เป็นภาวานาได้เมื่อกับท่านอีกท่านหนึ่งรับกุณตกระพธิยะเดินอยู่บนถนนเห็นนะรถมา้าแล่นผ่านมา บนในรถม้ามีผู้หญิงเป็นนางคณิกาแต่งตัวสวยงามยิ้มให้กับท่านละคุณตะกับพัทิยะคงเอ็นดูเพราะว่าท่านตัวเล็กๆน้าหน่าเอ็นดูนะผู้หญิงเห็นท่านก็ยิ้ม mm hmm. ท่านพิจารณาแทานที่จะเกิดราคะท่านพิจารณาเห็นว่าเนี่ยนี่คือบ่วงของกิเลสนะนี่กิเลสมันมากิเลส ม, มาแล้วนะท่านเห็นว่ามันแทนจะเป็นเรื่องหน้ารักการเป็นเรื่องหน้าชังไป จิตท่านก็หลุดพ้นเลยนะเป็นพระนาคามีเลยบนถนนนี่แหละอันนี้เห็นผู้หญิงยนะิ้มน่ะก็ภาวานาได้นะเพราะอะไรเพราะใจเนี่ยใจรู้จักพิจารณาจึงบอกว่าแม้กระทั่งคนที่อยู่บ้านดูโทรทัศน์นี่ก็อาจจะภาวานาได้นะแต่ส่วนคนที่อยู่วัด น, นี่อาจจะไม่ได้ภาวาน า, าจริงๆก็ได้เพราะใจเนี่ยไม่รู้ลอยไปไหนนะมันมีเรื่องเล่านะ ผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันวันนั้นเป็นตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะคนหนึ่งก็ไปชวนเพื่อนนะในกอรนี่ก็ไปชวนในขอว่าวันนี้วันพระนะนะเราไปเราไปวัดกันนะนะจะไปถวายทานแล้วก็จะได้ฟังธรรมส่วนในขอเนี่ยบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะกินเลยนะก็เลยไม่ไปวัดนะแต่ว่าไปสระน้า ไปบ่อน้ำเพื่อที่จะจับปลานะในกอเนี่ยขณะที่ฟังทำนะใจก็นึกงึงในขอเพื่อนนะว่าเขาจะจับปลาได้เยอะไหมไหวจับปลาได้เยอะๆนะนะตอนเย็นเราจะได้มีแปะซากินเราได้มนะีปิ้งปลากินนะฟังพาะเทศตนะั้งแต่ใจไปนึกถึงเพื่อนที่กำลังจับปลานะ ขอให้เพื่อนจักปลาเยอะๆเยอะนะเราจะได้กินอร่อยอร่อยอ้ส่วนในคอนเนี่ยนะนะถือแหวหวานไปแต่เวลาที่ยินเสียงระฆังที่วัด น, นะแกก็พนมมือสาธุนะใจก็นึกถึงบุญกุศล น, นะนึกถึงพระที่ท่านสวดมนต์นะว่าเราเนี่ยนะจากจนเราไม่มีโอกาสจะไปฟังธรรมนะแต่ก็นุมโมทนาด้วยนะมือเนี่ยนะ หวานแแลนะ้วแต่ใจเนี่ยเป็นนึกถึงถึงพระนึกถึงบุญนะเวลาได้ยินเสียงระฆังที่วัดถามว่าใครได้บุญกับกันในกอเนี่ยอยู่ว่าแต่ใจนึกถึงเพื่อนว่าขอให้จับปลาเยอะๆส่วนในขอเนี่ยนะหาปลาอยู่นะแต่ใจเนี่ยนึกถึงบุญกุศลวันนั้นในขอไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะแต่ในขอได้บุญ ก็เป็นบุญที่มากกว่าในกอนนะในกอนอยู่วัดแต่ใจไม่เป็นบุญในขอจับปลานะดูในหนองน้ำนะแต่ว่าใจเป็นบุญนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้ระลึกให้ดีนะว่านะไม่ว่าทานก็ดีศีลก็ดีพอนะก็ดีศีลทํางานอยู่ที่ใจนะ และเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกจิตทําใจเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญนะให้มีสติรู้จักป่าวรู้จักวางไม่มีความเอนแก่ตัวไม่มีความอ่าไม่เปิดช่องให้ผีโลภโทสะโมหะมันครอบงําใจไม่ให้ตัวกูของกูเนี่ยมันเข้ามายึดครองจิตใจเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นคลองใจเมื่อไหร่เป็นทุกข์เมื่อนั้นอ่ะเราก็พอสมัวรแก่เวลาแล้วก็ขอยุตินะการบรรยายจะเพียงเท่านี้นะ ที่สุดนี้ขออ้างคุณพระรัตนตรยนยัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันนาสุขภะละเพื่อเป็นเพราะปัจจัยในการทําความดีงามให้ถึงพร้อมได้ฐานศีลภาวนาเพื่อเป็นเครื่องชําระจิตใจให้เขาผ่องนะประกอบไปด้วยสติสมาธิและปัญญาเพื่อนําพาชีวิตจิตใจให้พ้นจากความทุกข์เข้าถึงความสุขอันกเกษมี พระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอาน